ฝังันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความภาคภูจากรู้ว่าม่วงเหลืองเข้าสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคูตนต้นโตนสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแดงบาน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 คนนุณนธรรมนอบนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันท้าสถาปัตย์สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังที่ เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมมาจัดรายการท่านโลกท่านเหตุการณ์นะครับนำเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งในช่วง น, นี้ก็ข่าวสารที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการค้นหา กลุ่มเยาวชนนักเตะหมูป่าแคเดมี่แม่สายซึ่งเป็นทีมฟุตบอล น, นักเรียนนะครับซึ่งมีอายุระหว่าง 11-16 ปีจากหลายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สายเชียงรายนะครับซึ่งก็จำนวน 12-13 คนพัดหลงอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ตำบปลป่งผาอำเภอแม่สายเชียงรายนะครับก็หลายฝ่าย เร่งช่วยเหลือกันอย่างอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะาาสามารถที่จะน่าจะช่วยได้นะครับซึ่งก็มีทั้งในส่วนของหน่วยซีนกองทัพเรือนะครับหน่วยทหารของกองทัพ บ, บกก็ดีนะครับกองทัพอากาศก็ช่วยขนส่งในส่วนอุปกรณ์ต่างๆมีหน่วยกู้ภัยนะครับจากาในหลายๆพื้นที่เข้าไปช่วย นะครับในไปช่วยในการค้นหารวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมอุทยานหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับเข้าไปเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็มีการลำเลียงเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จากคทมลงไปช่วยสูบน้ําซึ่งก็ไปเดินทางไปถึงเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็จํานวนห้าเครื่องเป็นเครื่องขนาดห้าแรงมา อีกจำนวน20เครื่องนะครับก็สามารถที่จะสูบน้ำได้ซึ่งในการนี้ผู้บัญชาการกองทัพบกนะบผลเอกสิทธิ์เฉลิมชัยสิทธิสารก็ลงไปอำนวยการรวมทั้งรัฐมนตรีมหาไทยผลเอกอนุพงศ์ก็ลงไปนะครับนะไปในพื้นที่นะครับไปกํากับไปดูแลนะการทำงานหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ำไปถึงนี่ก็คาดว่าจะสูบน้ำได้ ปริมาณ 5,000 ลิตรต่อนาทีนะครับซึ่งถ้าฝนไม่ตกมาอีกก็จะทำให้สุปน้ำออกทั้งหมดเลยนะครับนะในในถ้ำก็จะเป็นเป็นข่าวดีนะครับในส่วนของอการช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นติดตามมีการติดตามเสนอข่าวกันอย่างอ่าอ่า ในสื่อหลายๆในหลายส่วนยังคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนนี้ก็มีผู้ชมเนี่ยเฝ้าติดตามทั้งโซเชียลทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ต้องช่วยกันในหลายๆส่วนนะครับนะก็น่าจะมีข่าวดีนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยนะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่ที่น่าสนใจเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ทําเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยงตรีนระสัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคอรมอก็ถึงข้อเสนอของของพักการเมืองเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะครับก็อยากจะให้ในส่วนของทางพักการเมืองเสนอมารัฐบาลและคอสชอก็กำลังจะพิจารณาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไ ป, น ป, นปนอย่างราบรื่นโนะปร่งใส ย, ยุติธรรมนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็ แล้วก็บอกว่าได้เปิดเผยบอกว่าจะมีการประชุมนัทธาลือกับพรรคการเมืองอีกประมาณเดือนกันยายนซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องของการการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องจะต้องดูนะครับนะว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอย่างไยงอย่า ง, างก็แล้วแตใ่ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี นวิศนุเครือ ง, งามก็เปิดเผยว่ารถแมบการเลือกตั้งก็อาจจะใช้สูตร3าานะครับซึ่งการเลือกตั้งนี้นะครับก็ จ, จะใช้สูตร3 3 5นะครับก็ก็คงจะต้องดูนะครับแต่จะทองดูว่าจริงเราจะจะจ ะ, จะเป็นอย่างไรนะครับนะสูตร3 3 5นีก็จะเริ่มต้องแต่เดือนมิถุนายน ปีนี้ปี261นะครับในวันที่15มิถุนายนมีการทูลกล่าวถวายร่างกฎหมายเลือกตั้งสสและร่างกฎหมายที่มาของสวนะเพื่อให้ในหลวงทรงมีพระบรมราชองค์การลงมานะครับนะนะเพราะฉะนั้นก็มีการทบทูลกล่าวขึ้นไปแล้วในช่วงที่ ช่วงเดือนก ร, รกฎาคมถึงกันยายนกฎหมายทั้ง2ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎหมายที่มาสวาก็มีผลบังคับใช้นะครับแล้วก็กฎหมายเลือกตั้งของสสก็จะต้องรออีก90วันถึงจะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในช่วงนี้นะครับเดือนก ร, รกฎาคมสิงหากันยาคอสชก็จะเชิญพักการเมืองมาประชุม ครั้งที่สองนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นประธา น, นเป็นประธานนะครับแล้วในช่วงเดือนตุลาคมนะครับพฤศจิกายนธันวาคมอีก3เดือนก็ปลายปีนี้แหละครับกฎหมายเลือกตั้งสอสก็จะมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งกฎหมายเลือกตั้งสอสมีผลบังคับใช้ก็จะ เริ่มทำกิจกรรมต่างๆนะฮะทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะพักการเมืองทำกิจกรรมเตรียมการนะครับนะเพราะจะต้องหาคนมาลงสมัครมีการประชุมพิจารณานโยบายของของพักนะครับเพื่อที่จะให้ผู้สมัครเนี่ยไปไปหาเสียงนะครับว่าจะมีนโยบายอย่างไรนะครับซึ่งก็ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะเป็นช่วงที่บรรยากาศ ก, าก็จะคึกคัก มากเลยทีเดียวนะก็คงจะต้องเตรียมรับมือกันไว้นะครับแล้วก็ในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมีการคาดการณ์กันนะครับว่าะจะเป็นช่วงเดือนอมกราคมจนถึงพฤษภาคมปีหน้าปี2 5 6 2นนะครับซึ่งก็แล้วแต่กรกตจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งอาจจะเป็น วันที่24กุมภาพันธ์นะครับนะมีการคาดการณ์กันไว้หรืออาจจะเป็นวันที่31มีนาคมนะอาจจะนะวันวันเลือกตั้งช่วงที่2นะครับถ้ากกตพิจารณาอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นช่วงวันที่28เมษายนนะปีหน้านะครับปีหน้าหรือช่วงสุดท้ายก็อาจจะเป็นวันที่5พฤษภาคมสอนะ 2, 2, นะครับซึ่ง เงื่อนไขการเลือกตั้งช้าหรือเร็วนี่นะครับจากการเปิดเผยของอรองนายกวิษณุนี่ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความสงบเรียบร้อยในช่วงงานพระราชพิธีบรวมราชาชพิเศษนะอันแรกและอันที่2ก็คือการพระราชทานกฎหมายาเลือกตั้งสอสอและกฎหมายสอว อ, อันที่3คือการาผัดเปลี่ยนกรกตจากชุดเก่าเป็นชุดใหม่ อันที่4ก็คือการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอันที่5ก็คือความสงบเรียบร้อยของประเทศเนี่ยก็เป็นการเปิดเผยจากรองนายกรัฐมนตรีนะฮะในวิศณุเครืองามนะครับซึ่งก็มีการเลือกตั้งกันแน่นอนในปีหน้านี่นะครับนะแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนไหนนี่ก็ต้องดูนะอาจจะเป็นตั้งแต่เดือนม ก, กราคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม เดือนเมษายนหรืออาจจะเป็นเดือนพฤษภาคมก็ได้นะครับนะซึ่งต้องต้องติดตามดูกันกันต่อไปนั่นก็เป็นโรดแมพเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่หลายๆคนสนใจมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ m t h e e s นี้ มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในในช่วงนี้นี่ยครับหลังจากกรณีเกี่ยวกับเรื่องที่เยาวชนนะครับที่เชียงรายที่แม่สายไปติดอยู่ในถ้ำนะครับนะที่ถ้ำที่ที่แม่สายในส่วนนี้ในส่วนของอสมาคมเกี่ยวกับเรื่องไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอเตอรนายวิชิตประกอบโกศลก็มีการเสนอผ่านทางรัฐมนตรีทาง รัฐบาลว่าอยากจะให้ภาครัฐนะอาจจะต้องมีมาตรการในการป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะ ท, ที่มาท่องเที่ยวในในเมืองไทยนี่มีกรณีของการประสบภัยกันบ่อยนะครับเราจะเห็นมาทั้งทางทะเลทา ง, ท ง, ทง ภูเขาแม่นม้ําและหลงป่ากันบ้างเรือจะเรือนะครับนะมีประสบภัยทางเรือบ้างทางรถยนต์ประสบัเหตุรัฐนี่ควรจะต้องมาเน้นนะการที่จะต้องมาแก้ไข ร, รักษาความปลอดภัยอย่างจริงจังนะให้กับ น, นักท่องเที่ยวแหะครับนี่ในทางแอตตานะครับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนเสนอเพราะว่าถ้ามีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวในบ้านเมืองเราเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะจาก จากประเทศจีนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นมาจากจีนนะแล้วก็จากยุโรปนะจากรัสเซียนี่ก็มา ก, มากเพราะวานหนีหนาวมาจากอเมริกาเนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็มาแต่ว่าจีนนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะที่มาเที่ยวเราจะทำอย่างไรที่จ ะ, ะรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีมาตรการ ที่จะดูแลโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในในถ้าในเขตอุทยานป่าเขาเนี่ย จ, จะต้องอมีการกําหนดช่วงเวลาอย่างเช่นหน้าหน้าฝนเนี่ยอาจจะต้องห้ามนะไม่ให้นะักท่องเที่ยวไปเที่ยวแถวแถวน้ําตกแถวถ้าเพราะว่าอาจจะมีกรณีของน้ําป่าไหลหลาหลกแลก็มีน้ําอุดตันตามตา ม, ตามถ้าอย่างที่เราเห็นกรณีที่เขาหลวงเนี่ยนะครับที่ที่เยาวชนไปติดค้างกันอยู่เนี่ยนะครับก็ ถึงแม้ตอนนี้นี่ก็มีการนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไปสูบน้ําออกพยายามที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่จากหลายหลายฝ่ายทั้งในส่วนของทหารตํารวจอุทยานนะครับหรือกู้ภัยลงไปช่วยกันเต็มที่เนี่ยนะครับก็คาดว่ า, าวันนีน้น่าจะคลี่คลายนะครับถ้าสูบน้ําออกก็น่าจะพบเยวาวชนก็เอาใจช่วยแหะครับเนะพราะนั้นนี่เราคงจะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, ของการท่องเที่ยว แล้วก็ทิศทางการท่องเที่ยวนี่เริ่มที่จะมีการมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะก็น่าจะมีการกระจายการท่องเที่ยวจากแหล่งแหล่งท่องเที่ยวหลักๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตที่แถวพัทยาอะไรต่างๆนี่กระจายมาจังหวัดลง้งแถวภาคอีสาเนเน้นนะครับนะทางเหนือทางอีสานทางใต้เน้นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมก็ดี คือในให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสชีวิตของชาวบ้านนะครับมาชมศิลปะวัฒนธรรมของชาวบ้านมาพักโฮมสเตย์จะเป็นสิ่งที่ดีแหละครับนะคือเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับมาทดแทนรายได้ที่เรามีผลกระทบเหมือนกันนะครับตอนนี้ผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาค่อนข้างที่จะตกต่ำ ตอนนี้โดยเฉพาะสับ ป, ประรดนี่วิกฤตหนักนะครับก็กิโลละบาท2บาทซึ่งก็ทำให้ชาวชาวไร่เนี่ยก็ขาดทุนแล้วครับนะเพราะเพราะฉะนั้นนี่ก็หลายๆหน่วยงานก็นำงบ ป, ประมาณมาซื้อสับ ป, ประรดมาแจกจ่ายนะทั้งพระสงฆ์งทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งบริษัทต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นการมาช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับทำอย่างไรที่จะให้ราคาผลผลิต ทางการเกษตรนี่สูงขึ้นนะราคาข้าวราคายางนะครับราคามันสำปบหลังราคาอ้อยนะครับก็เป็นพืชหลักๆสับประรดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องมีการมาเร่งแก้ไขกันกันกันอย่างเร่งด่วนนะครับว่าว่าจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้ไม่เกิดสงครามทางการค้าคือเราอาจจะเจอมาตรการกีดกันทางการค้าเพราะตอนนี้เริ่ม มีมีการตอบโต้กันระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับตั้งกำแพงภาษีรวมทั้งยุโรปด้วยนะครับมีการตั้งกำแพงภาษีสินค้าจากแต่และประเทศทําให้สินค้าเนี่ยราคาสูงก็สู้กับคู่แข่งไม่ได้นะครับซึ่งไทยเราก็กําลังเผชิญอยู่เหมือนกั น, นสินค้าหลายๆปร ะ, ประเภทที่เจอการตั้งกำแพงภาษีรวมทั้งสปารดด้วยและทางพืชอื่นๆซึ่งก็ต้องมีการเจราจา อ่าทางการค้ากันนะครับเนีเพราะอ่าเพราะจะทําให้การส่งออกดีขึ้นก็จะทําให้เป็นผลที่ดีต่อต่อเกษตรก ร, ะรก น, นะครับคงจะต้องมีวิธีการที่จะมีการมามาป ร, ป, ร ป, รปรับปรุงกันในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็อ่าการท่องเที่ยวนี่แหละครับจะเป็นตัวที่จะม า, าชดเชยเพราะว่าการท่องเที่ยนี่มีรายได้มหาศาลแล้วก็เป็นจุดแข็งของของประเทศไทยคือใน ในประเทศอาเซียนนี่ไทยเรานี่ก็ถือว่าเป็นผู้นําในเรื่องของอาการท่องเที่ยวแหะครับนะทั้งโรงแรมทั้งในส่วนของอาหารก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับนะทั้งในส่วนของสถานบริการแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติทั้งวัฒนธรรมทั้งอะไรต่างๆนี่ก็มีการเริ่มที่จะมีการมาหนุนเสริมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ถ้าร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชน ก็จะทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับนะดีขึ้นมีการพัฒนาให้ชุมชนได้มามีส่วนร่วมก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็ร่วมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแนวคับชีวิตวสั้นพระควันบุรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสําหรับวันนี้ผมนิรันดิ์คุณธ น, นันต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอ ก, กาสหน้าครับสวัสดีครับ นานจดจำคิดถึงน้ำคำคำหวานจับหัวใจลมรำพยพัเล็วแผ่วไปไม้โรยเ ย, ย็นลมโชยพัดรวงข้าวโอนเ็นไวคิดถึงนางน้องที่จาก ยังถึงยังไม่มาลมหนาวเริ่มชยผ่านรวงข้าวเลืองจับตาคิดถึงสัญญาจะมาร่วมเขี้ยวเคียว เราคลอเราก็ยังเฝ้ารอคู่คลอเคล้าเคียน。 ย, ยังไม่มีเจ้ามาปล่อยข้าวเหลืองเต็มนาตัวข้าไรแรงเกียวเหลือก็เพียงกอข้าวกรอบแดงเฉาตายตัวข้าเองวายจะตายแน่เชียว มานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง